เพ่งพินิจอยู่ยอมประสบความสุขอันไพยบู์เพราะฉะนั้นในชีวิตที่เหลืออยู่นี้ทุกคนควรกระทำกิจหน้าที่และพึงไม่ประมาทบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปปัดนี้เราทำอะไรอยู่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 มัวซึมเศร้าอยู่ย่อมไม่ประสบทางแห่งปัญญาคนที่เรียนรู้คือสุตตะน้อยนี้ย่อมแก่เหมือนโคถึกเนื้อของเขาย่อมเจริญแต่ปัญญาของเขาหาเจริญไม่เมื่ อ, อยังหนุ่มสาวโรมจันทร์ก็ไม่บำเพ็ญทรัพย์ก็ไม่หาเอาไว้รันแก่เท่าลง ก็ต้องนั่งซบเซาเหมือนนกกระเรียนแก่จับหงอยอยู่กับเปลือกตมที่ไร้ปลาเมื่ อ, อยังหนุ่มสาวโรมจันทร์ก็ไม่บำเพ็ญทัพ์ก็ไม่หาเอาไว้รั้นแก่เท่าก็ได้แต่นอนทอดถอนถึงความหลังเหมือนดังลูกสอนที่เขาญิงตกไปแล้วคือหมดพิษสงผลประโยชน์ทั้งปวง ตั้งอยู่ที่หลักสองประการคือการได้สิ่งที่ยังไม่ได้และการรักษาสิ่งที่ได้แล้วภิกษุทั้งหลายตระกูลเหล่าหนึ่งเหล่าใดก็ตามที่ถึงความเป็นใหญ่ในโคพครั์จะดำรงอยู่ได้ยืนนานด้วยเหตุสีสถานหรือสถานใดสถานหนึ่งกล่าวคือรู้จักสแสวงหาสิ่งที่พี่หน้าสูญหาย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 จากความมัวเมาก็เกิดความประมาทจากความประมาทก็เกิดความเสื่อมจากความเสื่อมก็เกิดโทษประดังผู้มีพาระปกครองรัฐจงอย่าได้ประมาทเลยกริยัดจำนวนมากมีความประมาทต้องสูญเสียประโยชน์สูญเสียรัฐแม้แต่ชาวบ้านประมาทก็สูญเสียบ้านอนาคาริกประมาท ก็สูญเสียความเป็นอนาคาริเมื่อผู้ครองแผ่นดินประมาทโภกะระซับในรัฐย่อมพินาศ ท, ทั้งหมดนี่แหละเรียกว่าทุกภัยของผู้ครองแผ่นดินความประมาทนี้เป็นหลักอะไรไม่ได้ผู้ครองแผ่นดินประมาทเกินขอบเขตโจรทั้งหลายก็กำจัดชนบทที่มั่งคั่งบริบูรณ์เสียโอรสทั้งหลายก็จะไม่มีเหลือ เงินทองทรัพย์สินก็จะไม่มีเหลือเมื่อรัฐถูกปล้นก็จะเสื่อมจากโภกสมบัติทุกอย่างถึงจะเป็นคติยราชเมื่อโภกสมบัติย่อยยับหมดแล้วญาตนิตสหายทั้งหลายก็ไม่นับถือในความคิดอ่านผลช้างผลมา้าผลรบผลราบทั้งหลายที่อาศัยเลี้ยงชีพอยู่ก็ไม่นับถือในความคิดอ่าน ผู้นำที่จัดการงานไม่ดีเขา่าด้อยความคิดอ่านสามปัญญายอมหมดสีสง่างเหมือนคราบเก่าที่งูทิ้งไปแล้วส่วนผู้นำที่จัดแจงการงานเป็นอย่างดีหมั่นขยันถูกการไม่เฉื่อยชายอมมีโภคสมบัติที่เจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทุกด้านเหมือนฝูงโคที่มีโคผู้นำฉะนั้น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 ภิกษุทั้งหลายเราประจักษ์คุณค่าของธรรมะสองประการคือความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายและความไม่ระย่อในการบำเพ็ญเพียรโพราะที่อันเรานั้นได้บรรลุด้วยความไม่ประมาทความลุกโล่งโปร่งใจคือโยค ะ, ะเกษมอย่างเยี่ยมยอดอันเรานั้นได้บรรลุด้วยความไม่ประมาท ภิกษุยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะอย่าได้นอนใจเพียงด้วยความมีศีลละวัดด้วยความเป็นผู้ได้เล่าเรียนศึกษามากด้วยการได้สมาธิด้วยการอยู่วิเวกหรือแม้แต่ด้วยการประจักษ์ว่าเราได้สัมผัสในคขมสุขที่พวกปุถุชนไม่เคยได้รู้จักเตรียมกิจสำหรับอนาคตให้พร้อมไว้ก่อน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 เมื่อมองเห็นภัยที่ยังไม่มาถึงคืออนาคตตภัยห้าประการต่อไปนี้คือความชราความเจ็บไข้ความขาดแคลนราวบ้านเมืองไม่สงบราวสงแตกแยกที่อาจจะเกิดมีขึ้นย่อมควรแท้ที่ภิกษุจะเป็นอยู่โดยเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศตัวเด็ดเดียวเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึง เพื่อประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งภิกษตทั้งหลายอนาคตภัย5ประการเหล่านี้คือภิกษุทั้งหลายที่ไม่ได้อบรมพัฒนากายศีลจิตปัญญาจะเป็นอุปชาให้อุปสมบทจะเป็นอาจารย์จะเป็นผู้กล่าวอาภิธรรมกถาเวท้อลกถาจะไม่ตั้งใจฟังพระสูตร ที่เป็นตถาคตาพาสิตจะเป็นพระเทระผู้นำในทางย่อหย่อนซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้จะเกิดขึ้นในการต่อไปเธอทั้งหลายพึงตระหนักทันการไว้รั้งระหนักแล้วพึงพยายามเพื่อป้องกันอนาค ต, ตภัยเหล่านั้นภิกษุทั้งหลาย อนาคตภัย5ประการเหล่านี้คือภิกษุทั้งหลายจะมัวหมกมุ่นติดเนเรื่องจีวรดีๆอาหารดีๆที่อยู่อาศัยดีๆแล้วทําการสแสวงหาพิดวินัยจะอยู่คลุกคลีกับภิกษุณีสิกขามานาและสามเณรจะอยู่คลุกคลีกับคนวัดและสามเณรซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบนัดนี้จะเกิดขึ้นในการต่อไป เธอทั้งหลายพึงตระหนักล่วงหน้าไว้รั้นตระหนักแล้วจึงพยายามเพื่อป้องกันอนาคตภัยเหล่านั้นนะสารีบุตรพระผู้มีพระภาคกกุสันทะก็ดีพระผู้มีพระภาคโกนาคมก็ดีพระผู้มีพระภาคกัสปะก็ดี ไม่ครานที่จะแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายโดยพิสดารและสุตตะเคยยะละจนถึงเวทั ล, ละของพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นก็มีมากสิกขาบทท่านก็บัญญัติไว้แก่สาวกทั้งหลายปาติโมกท่านก็แสดงไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคอุทธเจ้าและเหล่าสาวกที่ตรัสรู้ตามรับล่วงไปแล้วสาวกทั้งหลายรุ่นภายหลัง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 พระผู้มีพระภาคโกมนาคมและพระผู้มีพระภาคกัสสปะดำรงอยู่ได้ยืนนานครั้งนั้นแหละท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายธรรมะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายตรัสไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนำสู่ความหลุดพ้น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 ครังนั้นแหละท่านพระมาหากัสสปะกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายขอเชิญพวกเรามาสังคยนาธรรมะและวินัยกันเถิดก่อนที่อาธรรมจะรุ่งเรืองธรรมะจะถูกขัดขวางอาวินัยจะรุ่งเรืองวินัยจะถูกขัดขวางก่อนที่พวกอาธรรมวาทีจะมีกำลังธรรมวาทีจะอ่อนกำลัง พวกวินยะวาทีจะมีกำลังวินยะวาทีจะอ่อนกำลังอาณ น, น์ปราบได้ที่เจ้าวัตชีทั้งหลายอย่างจากประชุมกันเนืองนิดตราบได้ที่พวกเจ้าวัชชีจากอย่างพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันทำกิจหน้าที่ของชาววัชชีตราบนั้น พวกเจ้าวัดชีพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยภิกษุทั้งหลายตราบใดที่ภิกษุทั้งหลายอย่างจากประชุมกันเนืองนิดตราบใดที่ภิกษุทั้งหลายอย่างจากพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันทำกิจการหน้าที่ของสงตราบนั้นภิกษุทั้งหลาย